กายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆเหมือนอย่างสุนัขริ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจเพื่อจิตทีกัดกินซากศพมโนคือใจก็วิ่งไปในเรื่องราวต่างๆเหมือนอย่างวานนอนหรือลิงที่วิ่งหลุกหลิกไปอยู่บนต้นไม้เพราะฉะนั้น ึงมีสัตว์ต่างๆเหล่านี้หกชนิดวิ่งไปบ้างบินไปบ้างเพ่นพานไปทั้งหมดในจิตใจของบุคคลก็เป็นเช่นนั้นก็เหมือนอย่างมีสัตว์เหล่านี้คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวิ่งเพ่นพานไปอยู่ อาการที่จิตใจผันไปอยู่ดังนี้ ก, ก็คืออาการที่เรียกวัดตันหาความริ้นรนทยานยากต่างๆเป็นไปโดยอำนาจของราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะหรืออวิชชาบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีความสมรุปอินทรีย์ ให้มีสติพร้อมทั้งมีปัญญากำหนดรู้ว่าอาการที่เป็นเข่นนั้นก็เหมือนอย่างบุคคลที่ตกลงไปสู่กระแสน้ำและก็พอใจ่ายเสียด้วยในกระแสน้ำนั้น พอใจที่จะลอยคอที่จะว่ายน้ำเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นแล้วก็ตารเปรียบเทียบเอาว่ากระแสน้ำที่คนตกลงไปนั้นหรือที่คนกระโดดลงไปนั้นก็คือกระแสตันหาคือตันหาความดิ้นรนทยันยากและ อาการที่ชอบใจพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินที่จะลอยคอที่จะว่ายเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละซึ่งเรียกเป็นภาษาธรรม ว, ว่าเป็นปีรูปสารรูปคือเป็นสิ่งที่เป็นที่รักเป็นสิ่งที่สำราญ ก็เพราะว่าอานั่นก็อาศัยตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจนี่เองไม่ใช่อาศัยอะไรอื่นดังที่กล่าวมาแล้วและก็พอใจเสียด้วยทั้งนี้ก็โดยที่ไม่รู้ว่าในกระแสน้าคือกระแสตัณหาที่ใช้ตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจ สำหรับที่จะวิ่งเพ่ น, านพานเพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่นั่นเป็นกระแสน้ำอันประกอบด้วยภัยอันตรายโดยที่เมื่อปล่อยให้ลอยไปก็จะยิ่งจมลงไปในห่วงน้ำลึกอันเป็นตัวสัญญชต์ทั้งหลาย อันประกอบด้วยคลื่นอันเป็นตัวโทสะโกทะความโกรธอุ้ปายยาสะความคับแคนใจทั้งหลายอันประกอบด้วยวังบนได้แะก่กรมคุณทั้งหลายอันประกอบด้วยสัตว์ไร้ผีเสื้อน้าทั้งหลาย อันได้แั่ความที่ติดใจกันอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตังของกามเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนเมื่อได้ฟังเตือนแล้วก็จะได้สติไหวทวนกระแสเข้าฝังได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทางความสงบสือต่อไปวันนี้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 อรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรนัตตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามเทราอธิบายของท่านพระสาริบุตรเทระ ซึ่งภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบเรียนถามท่านถึงปริยายคือทางแสดงอื่นต่อไปอีก ซึ่งท่านก็ได้กล่าวตอบดังที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับจนถึงข้อที่จะแสดงในวันนี้ซึ่งท่านได้แสดงตอบ แก่ภิกษุทั้งหลายว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ได้แก่ รู้จักนา ม, มารูปรู้จักเหตุเกิดแห่งนา ม, มารูปรู้จักความดับนา ม, มารูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนา ม, มารูปและท่านก็ได้แสดงอธิบาย แต่ละข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ารู้จักนา ม, มารูปก็คือรู้จักนามอันได้แก่เวทนาสัญญา เจตนาหัตสะมนสิการรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูปทั้งสี่และ ผูปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาพูตธ ร, รูปทั้งสี่นั้นรู้จักเหตุเกิดแห่งนามารูปก็คือรู้จักว่าพระวิญญาณเกิดนามารูปยึงเกิด รู้จักความดับนามรูปก็คือรู้จักว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปก็คือรู้จักมัสมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น จะได้แสดงอธิบายในข้อหนึ่งรู้จักนามารูปรู้จักนามก็คือรู้จักเวทนาสัญญาเจตนา อัตตะมณสิการน้ำนี้ที่คู่กับรูปอันเรียกว่าน้ำมารูปเป็นสัพธรรมะที่ ผู้ศึกษาธรรมะย่อมได้ทราบกันอยู่และได้ฟังกันอยู่ในเทศนาทั้งหลายเป็นอันมากและ โดยทั่วไปก็เป็นคำย่อมาจากขันห้าอันขันห้าก็คือกองหรือประชุมทั้งห้าอันแรกแก่รูปประขันกองรูป เวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงขันท่า ตั้งแต่ในปฐมเทศนาซึ่งเป็นเทศนาครั้งแรกของพระองค์ซึ่งได้จัดโปรดพระปัญญวัคคีทรงสแสดงขันห้าไว้ ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ซึ่งไ ด, ด, ดง้ตรัสแสดงทุกขสัจจะไว้เริ่มแต่ ธาติทุกทุกคือชาติความเกิดเป็นต้นและได้ทรงแสดงอธิบายชี้สิ่งที่เป็นทุกข์ไปแต่ละข้อในละข้อจนถึง ระสรัดสรุปโดยย่อว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประกาศก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่า ในปฐมเทศนานั้นได้ตรัสยกขึ้นแสดงชี้ว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกมาถึงเทศนาครั้งที่สอง จึงได้ตรัสยกเอาขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนี้มาตรัสอธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาวิเชตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้และก็ได้ตัดแสดงอธิบายทางไตรลักษ ด้วยวิธีที่ได้ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าขันห้าดังกล่าวเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยง ก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์ จึงได้ตัดถามต่อไปว่าก่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเรา ว่าเราเป็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราท่านทั้งห้าคนได้กราบทูลว่าไม่ควรที่จะเห็นยึดถืออย่างนั้นพระพุทธองค์จึงได้รัดอธิบาย เป็นข้อๆไปว่าขันทั้งห้าเหล่านี้ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงทั้งที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่หยาบที่ละเอียดที่เลวที่ประณีตที่ไกล หรือที่อยู่ใกล้ทั้งหมดลวนควรพิจารณาให้เห็นด้วยสมับปัญญาคือปัญญาชอบดางเป็นจริงว่ามาเจของเราเราไม่ใช่เป็นขันห้า ขันท่าไม่ใช่เป็นอัตราโตตนของเราอารียนสาวกได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมในนิพิทาคือความหน่ายในขันห้าเมื่อได้ความหน่าย ก็สิ้นความติดใจ ย, ยินดีเมื่อสิ้นความติดใจ ย, ยินดีจิตก็วิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองจิตสังดานทั้งหลาย ขันห้าจึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงตั้งแต่ในปฐมเทศนาเทศครั้งแรกและมาจัดอธิบายโดยตร ล, ลั์ในเทศนาครั้งที่สอง แกพระเบญจวัคคีทั้งห้าท่านทั้งห้ามาได้ฟังเทศนาครั้งที่สองจบแล้วท่านแสดงไว้ว่าจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดาลทั้งหลาย เพราะฉะนั้นขันห้าดึงเป็นข้อที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาพึงศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและท่านก็ย่อขันห้านี้ เป็นสองคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามแต่เรียกกลับกันว่านามารูปเพราะฉะนั้นขันห้ากับนามมารูปนี้จึงเป็น หลักเป็นภูมิเป็นกรรมฐานสำหรับพิจารณาปฏิบัติทางปัญญาหรือทางวิปัสสนา และก็ควรที่จะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเรียกวันนา ม, มารูปสำหรับรูปนั้น ก็คงเรียกวัรูุตามเดิมแต่สำหรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมจึงเรียกวันนามอันคำว่านาม น, ามนี้ใช้เรียกกันหมายถึงว่าเป็นชื่อ ผู้ที่มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีนามอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงใช้ทำความข้าใจกันง่ายๆ วัาที่เรียกวันนามนั้นก็คือมีแต่ชื่อสำหรับเรียกคือศักด์แต่ว่ามีแต่ชื่อแต่ไม่มีรูปร่าง หน้าตาที่จะให้มองเห็นได้ด้วยตาหรือได้ยินได้ด้วยหูหรือที่จะทราบได้ด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการถูกต้องทางกาย ตรงกันข้ามกับรูปซึ่งเป็นวัตถุอันจะปึงเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดังกลา่าวแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดังกลา่าว มีแต่นามที่เป็นชื่อสำหรับเรียกเท่านั้นและโดยอธิบายนี้ก็ใช่เป็นอธิบายสำหรับทาความเข้าใจ รูปธรรมนามธรรมที่พูดกันคือรูปธรรมก็มีรูปร่างที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นนามธรรมนั่นก็ไม่มีรูปร่างมีชื่อจะเรียก เท่านั้นนี่เป็นทางอธิบายที่เข้าใจกันทั่วๆไปแต่ว่าถ้าอธิบายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกเหมือนกันหรือว่า ที่เป็นชื่อสำหรับเรียกเท่านั้นไม่มีรูปร่างมีแต่นามหรือชื่อแต่ว่าเป็นนามของอะไรในข้อนี้ จึงต้องทําความเข้าใจต่อไปว่าเป็นนามของภาวะอาการที่บังเกิดขึ้น ทางร่างกายทางจิตใจภาวะอาการที่มังเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีรูปร่าง